คนเรากินอาหารเพื่ออะไรนะหลายคนก็จะตอบเพื่อให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงมีกำลังวังชาเพื่อได้ทำกิจการงานต่างๆได้เพราะเหาง น, นี้เนี่ยเราก็จึงกินอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อซึ่งให้โปรโตีนไขมันแล้วก็แป้ง อยู่ที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดทเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารหลักๆนะของคนเราทุกวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเติบโตนะมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชามันยังไม่พอนะมันต้องไม่มีความเจ็บป่วยหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ ร่างกายก็สามารถจะทำงานได้ตามปกติไม่เจ็บไม่ป่วยตรงนี้แหละนะที่อาหารหลักๆที่เรากินเนี่ยแป้งไขมันโปรตีนเนี่ยหรือว่าเนื้อนมไข่ข้าวเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องมอีกสิ่งหนึ่งนะซึ่งสำคัญมากนะเราเรียกว่าวิตามินนะ วิตามินนี่แต่ก่อนเนี่ยคนเราไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่หรือไม่รู้จักเลยเป็นเวลานานทีเดียวนะที่เราคนเรานี่ไม่รู้จักว่าวิตามินคืออะไรและ ม, มีประโยชน์อย่างไรแต่มันสำคัญมากทีเดียวนะอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยถ้าขาดไปเนี่ยมันก็ทำให้เจ็บป่วยนะ คนขายวิตามินซีเนี่ยก็เรียกว่าโรคลักกระปิดลักกระเปิดคือมีเลือดออกตามไรฟันซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นกันละแต่สมัยก่อนนี่เป็นเงินเยอะนะและดูเหมือนก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะโลคออกเลือดออกตามไรฟันเนี่ยแต่ที่จริงนี่มันมีผลร้ายนี่มากกว่านั้นนะมันทําให้เหนื่อยอ่อน นะมันทำให้เจ็บป่วยจนข้าั่งเดินไม่ได้เลยและสุดท้ายก็ตายนะแค่ขาดวิตามินซีนี่ถึงตายได้นะ ท, ท, ทั้งที่ร่างกายดูเหมือนแข็งแรงเพราะกินเนื้อนะหรือว่าอาจจะดูเหมือนมีกระด้งวังชาเพราะกินแป้งกินข้าวแต่สุดท้ายก็ตายนะเพราะขาด วิตามินซีซึ่งวันวันหนึ่งคนเรากินนิดเดียวเองนะไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนเนื้อไม่เหมือนปลานี่เรากินวันหนึ่งนี่ก็หลายร้อยกรัมนะแต่วิตามินซีเนี่ยถ้าขาดไปนะนิดเดียวนะต่อเนื่องกันนี่ถึงตายได้นะคนสมัยก่อนตายเพราะขาดวิตามินซีโดยเฉพาะพวกกาลสีเรือเนี่ย เพราะว่าอยู่บนทะเลอยู่ในทะเลเนี่ยรอนแรมกันเป็นเดือนสมัยก่อนเพราะมันต้องอาศัยเรืออย่างเดียวนะในการเดินทางไกลนะก็ก็มีแต่ข้าวมีแต่เนื้อมีแต่แป้งนะแต่ว่าไม่มีผลไม้อย่างพวกสม้มนะหรือฝรั่งเนี่ยอยู่ไปเป็น แค่เดือนสองเดือนเนี่ยขาดวิตามินซีนี่ตายเลยนะเดี๋ยวนี้เราเนี่ยเรานึ้ไม่ออกแล้วนะว่าขาดวิตามินซีนีถึงตายได้แล้วมันไม่ใช่วิตามินซีอย่างเดียวนะวิตามินอื่นก็เหมือนกันนะเช่นวิตามิน B เนี่ยวิตามิน b เนี่ย b ีหนึ่งนะถ้าขาดเนี่ยมันก็ทําให้เป็นโรคเน็บชา ดูชื่อโลกก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะหพรแต่ว่าถ้าขาดเลือเยอะเยอะยังขาดยืดเยอะเรือเร้ อ, ร, อ, ร, อ, ร, อรังเนี่ยนะทำไม่ตายได้นะเพราทำให้หัวใจนะพองโตแล้วก็หัวใจสุดท้ายก็หยุดทำงานแค่ขาดวิตามินบ1หน่ี่ถึงตายได้นะ แล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสักหักรอปีเนี่ยสาสี่ร้อยปีก่อนนี่เขาว่านะตายเพราะขาดวิตามิน B1 หนึ่งรือตายเพราะโรคเน็บชาเนี่ยมาเป็นอันดับสองนะรองจากตายเพราะโรคอะฮิวาหรือว่าโรคระบาดโรคฝีดาษโรคทรพิษเนี่ยไม่ใช่อะฮิวานะโรคฝีดาษไข้ทรพิษเนี่ยซึ่งสมัยก่อนนี่มันแรงมาก กว่าคนตายนี่ในยุโรปนี่ตายถึงหนึ่งในสามในสี่ของทวีกนะแต่ลองลงมาเนี่ก็คือขาดวิตามินบ1หนึ่งนะและแม้กระทั่งคนที่มีฐานะนะพวกขา้าบดีเสนาบดีแม้กระทั่งพระราชานี่ตายเพราะโรคนี้นี่ก็มีเยอะนะอย่างว่ากันว่าโชกุนเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยองสุดท้ายเนี่ยอายุแค่ยี่สิกว่าปียงก็ตาย ตายเพราะขาดวิตามิน B1 หปึ่งไโรคเน็บชาวิตามินเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะมันก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในข้าวซ้อมมือนะแต่ว่าคนมีเงินคนมีฐานะเนี่ยเขาชอบข้าวขาวนะข้าวขัดขาวพอไปขัดข้าวนะให้มันขาวให้มันน่ากินบากว่าวิตามิน B1 เนี่ยมันก็หายไปด้วย กินมากๆเข้าและกินแต่พวกเนื้อกินแต่พวกอ า, อาหารพวกนี้เนี่ยท้ายกก็ตายมันมีวิตามินอีกหลายตัวนะที่สำคัญต่อชีวิตคนเราแม้ว่าจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับพวกโปรโตีนไขมันนะหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้เราแข็งแรง นะมีกล้ามเนื้อมีกำลังวังชาแต่ถ้าว่าขาดวิตามินไปนี่หลายตัวเลยนะถึงตายได้แม้ว่าวันวันหนึ่งเราจะกินแค่นิดเดียวแต่ก็สำคัญมากปริมาณเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่ามันมีความหมายมีคุณค่านะต่อสุขภาพของเรา สมัยนี้เนี่ยเราไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้แล้นะเพราะว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็มีการเติมนะพวกวิตามินเข้าไปหรือบางอย่างนี่เราก็กินกันเป็นกิจวัตรละเช่นพวกส้มนะผละไม้อย่างฝรั่งมะ น, นาวเนี่ยเราเรากินกันประจำคนก็เลยไม่ค่อยได้ป่วยเพราะโรคล้กก็ะกะปิดลักกระเปิด หรือว่าถึงตายนะแต่ว่าเราก็มองข้ามความสำคัญของมันไปไอ้วิตามิน B1 หนึ่งก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เริ่มหันมากินนะข้าวซ้อมมือหรือว่าบางทีก็กินวิตามินที่เป็นเม็ดทั่าไปอ่ามันก็ช่วยได้แต่ถ้าว่าขาดเมื่อไหร่นะแม้วันวันหนึ่งเราต้องการนิดเดียวเอง ถ้าขาดต่อเนื่องไปนี่ก็ถึงตายได้มันนึกดูนะบุญกุศลเนี่ยหรือว่าความสงบใจเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับวิตามินนะดูเหมือนว่ามันจะไม่สําคัญนะไมไ่เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับชีวิตหลายคนยังคิดว่าเนี่ยอาหารเนี่ยปัจจัยสีเนี่ยคือสิ่งจําเป็นสำหรับชีวิตไม่มีปัจจัยสีก็ลําบากเดี๋ยวนี้ก็ มีสิ่งอื่นเข้ามาเติมเข้ามาเพิ่มเป็นปัจจัยที่ห้าเช่นโทรศัพท์มือถือแต่ที่จริงนั่นก็ไม่จำเป็นเท่ากับพวกปัจจัยสี่นะแต่ถึงแม้มีปัจจัยสี่นะถ้าคนเราเนี่ยขาดความสงบเย็นในจิตใจนี่มันก็ลำบากนะถึงแม้ว่าจะมีชีวิตนะมีกำลังวังชาทำกิจการงานได้ แต่ถ้าขาดความสงบเย็นในจิตใจชีวิตมันก็เต็ไมไปด้วยความทุกข์นะคนที่ขาดความสงบเย็นในจิตใจมากๆนี่บางทีก็ถึงกับเป็นบ้าได้คุ้มคลั่งได้โรคประสาทได้ทีนี้ก็เป็นกันเยอะนะดูเหมือนว่ามันไม่สาคัญนะว่าคนเราคิดว่าเนี่ยเรื่องวัตถุเรื่องปากท้องเองินทองสำคัญกว่า เวลาที่มีอยู่ก็เอาไปใช้ในการหาเงินหาทองเพื่อได้มีปัจจัยเสร็จแล้วก็มีความสดกสบายแต่ว่าเราลืมไปว่าเนี่ยความสงบใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จิตใจเราขาดไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับวิตามินนะที่ร่างกายเราขาดไม่ได้าขาดอาหารวันสองวันนี่เราก็เห็นผลแล้วนะแต่ขาดวิตามินในวันสองวันยังไม่เห็นผลหรอก แต่ว่าพอผ่านไปสักเดือนสองเดือนนี้อันตรายของมันจะปรากฏชัดเจนบางคนเราเนี่ยพอไม่มีปัจจัยสีนะวันสองวันก็อาจจะรู้สึกเดือดร้อนแต่ว่ามีปัจจัยสีแล้วถึงแม้ม่มีความสงบเย็นวันสองวันก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าว่าขาดไปขาดความสงบเย็นต่อเนื่องยืดเยื้อนี่นันก็แย่มันนะ แ้าบางทีทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะเพราะชีวิตมันนะเต็ไมไปด้วยความทุกข์มากซึมเศร้าก็ดีหรือว่าร้อนรุ่ม ก, กระลุ้มใจก็ดีเพราะนั้นเนี่ยนะถึงแม้ว่าความสงบเย็นในจิตใจเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญนะบางคนก็มองเป็นสิ่งฟุ้มเฟยแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดนะเราต้องรู้จักเติมความสงบเย็นในจิตใจเข้าไป ไอ้วิตามินที่ว่าเนี่ยซก็ดีบีก็ดีเนี่ยหรือวิตามินหลายตัวนะมนุษย์เราผลิตเองไม่ได้ร่างกายเราผลิตเองไม่ได้นะแต่ก่อนเคยผลิตได้แนละวิตามิน C เนี่ยแต่ตอนหลังนี่ผลิตไม่ได้นะเราต้องกินจากอาหารจากผลไม้ส่วนวิตามิน B ีหนึ่งก็อาจจะกินจากยีสก็ได้จากข้าวซ้อมมือก็ได้หรือจากเมล็ดจากเม็ดวิตามินก็ได้ แต่นี่คือความแตกต่างนะกับความสงบใจเพราะความสงบใจนี่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้ในจิตใจถ้ารู้จักเติมหรือสร้างความสงบเย็นในจิตใจขึ้นไปนะวันนิดวันหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการที่เรากินวิตามินนะแม้เพียงนิดเพียงหน่อยมันก็ช่วยทําให้อาโรคภัยแค่เจ็บที่รุนแรงนี่ในบางโรคเนี่ยหายไปได้วันนั้นเนี่ยนะ อ, อย่าลืมนะถึงแม้ว่าปากท้องจะสำคัญนะแต่ว่าคนเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยอาหารหรือปัจจัยเสียงเดียวความสงบเย็นในจิตใจนี่มันก็สำคัญเหมือนกันต้องรู้จักนะเติมความสงบเย็นในจิตใจหรือว่าเพิ่มความสงบเย็นในจิตใจให้กับใจของเราการทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลการทำสมาธิภาวนาการเจริญสติเนี่ย แม้วลนนิดวละหน่อยเนี่ยมันก็มีคุณค่านะมันเหมือนกับเติมวิตามินเข้าไปในจิตใจของเรานะมันช่วยทำให้จิตใจของเรามีชีวิตชีวามีความสดชื่นแจ่มใสไม่กระสอกกระแสะเหมือนคนที่ขาวิตามินนะที่สำคัญสัญอย่างที่ว่ามา